อายุวันโนสุขขังภาลังสาธุนันเดเมื่อกี้ได้ขึ้นไปผูกก่อนเป็นไงขึ้นไปดูตรงเจดีไหมค่ะแล้วขึ้นไปดูตรงที่เขาจะหล่อพระไหมไม่ไมขึ้นรถขึ้นไม่ได้ครับโอ้ใช่วันที่ยี่สิบหกเย็นเขาจะนำหินมาจากท่าเรือมาตบพุทธจะเอามาไว้ที่หน้าศาลากลาง แล้วก็คงจะให้พี่น้องชาวดอนทาพิธีสมโภชที่นั่นก่อนแล้วก็วันที่ยีบเจ็ก็คงจะขนย้ายจากที่นนท์ขึ้นมาที่ภูก้อนทั้งหมดหินมันสี่สิบพวกก้อนมั้งคือเขาสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพานและปางพุทธชีหัสญาตทีนี้เขาก็ทำรูปเล็กๆเป็นโมเดลซะก่อนจากนั้นเขาก็ตัดตัดตัดตัดาใช้หินเท่าไหร่เอ่แต่ละก้อนนี่คูณเท่าไหร่ หนึ่งเซนคูณกี่ล้านซนติเมตรเนี่ยลักษณะเนี้ยเขาไปซื้อหินจากอิตาลีนะพอมาแล้วก็เนี่ยนะเขากําลังเทฐานพอเทฐานเสร็จแล้วมาตัดวางวางหิ น, น, นมาซ้อนทับทับทั บ, ท, บ, ท, บ, ท, บทับกันจากนั้นเขาก็แกะสลักใช้เวลาแกะสลักประมาณสองปีช่างเป็นคนที่ออกแบบที่จังหวัดเชียงรายแลนะนะที่นะั่นนะ่ะอาจารย์อะไรอะ่ะเออนั่นอะานะนะนะจารย์เฉลิมชัยนะั่นน่ะเป็นะคนออกแบบ อาจารย์อะไรที่ว่าเป็นทุ่มมีชื่อเสียงในการแกะที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาว่าเป็นมือหนึ่งของการแกะหินรูบลุงปูมัน่นรูบลูบ ป, ปูต่างๆเขาเป็นคนแกะทั้งหมดเขาประเดิมแกะทดลองดูในเจดีนะนะ<ม>ที่เป็นหินขาวนะเป็นฝีมือเขาทั้งหมดแล้วก็เมื่อวันที่เท่าไหร่ได้ไปชมกันห า, หาลือกันอยู่ที่สลากลางจะจัดงานสมโพธินะค ง, งไม่นานมากก็คงจะขึ้นมา ก็จะให้ทันในหลวงของเรา 84,000 ปันศาถวายเป็นพระราชนุศลในหลวงแต่เขางบประมาณ100หรือ200ล้านทั้งพระพุทธ ร, รูปด้วยทั้งอาคารด้วยคือความยาวของพระพุทธรูปบาง20เมตรแค่พ20เมตรเลยเขาจะทำยังไงจะไม่ให้มีเสาขวางหน้าอันนี้ก็คือมันต้องใช้เทคนิคในการออกแบบถ้าใช้เทคนิคนี้มันก็ต้องมีเงินด้วยเออถ้าจะใช้อิฐทราหินธรรมดามันก็พังหมดเที แต่ตามไม่จริงแนวความคิดของคนเรื่องพระพุทธรูปทารวรวัตถุบางคนก็มีความเห็นแปลกแตกต่างกันบางคนก็ว่บอกอเอาเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่าทํำไมเอาเงินไปทิ้งอย่างนั้นที่หลวงพ่ออยู่ในนี้ก็ได้ยินได้ยินหลายหลายคนแ ต, แต่บางคนก็บอกว่าน่าจะเอาเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ บ้านเมืองกําลังยากจนอยู่น่าจะทุนการศึกษาบ้างน่าจะโรงพยาบาลอะไรลกักษณะอย่างนั้นไม่ได้จะเอาเงินทิ้งไว้อย่างนี้แต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างทุนการศึกษาก็ใช่ช่วยเหลือประเทศชาติส่วนหนึ่งถ้ากินไปแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ละลายไปแต่คนคิดอย่างนี้ก็ดีมีประโยชน์ถ้าว่าคนคิดอย่างที่ว่ากินแล้วละลายไปก็คงจะไม่มีนคนปรนคนปฐมนครพนม นครศรีธรรมราชโดอยสุเทพเชียงใหม่ก็คงจะไม่มีที่มีได้อย่างนั้นกับข้อคนอย่างนี้คิดขึ้นมายังมีแต่คนถ้าคิดขึ้นมาแล้วกินแล้วก็มีแต่การศึกษามีแต่กินแล้วก็ทิ้งกินแล้วก็ดหดไปแล้วก็คงจะไม่มีอย่างนี้แต่ที้ถ้าว่ามันมีอย่างนี้เราพอใจไหมเราภูมิใจไหมเอเราภาคภูมิใจไหมที่มีวัตถุอย่างนั้นในประเทศชาตินะถ้าภูมิใจอย่างนี้มันก็ต่อไปก็เป็นสมบัติของประเทศชาติเออ หลวงพ่อว่าถึงยังไงยังไงก็ดีกว่าพวกที่เอาไปเล่นมาเก้าเออเออเอาไปทลายเท่าไหร่เออเอาไปทิ้งอย่างนั้นเท่าไหร่เออที่เขามาทําอย่างนี่มีประโยชน์อา่าเป็นที่ ก, าากราบไหว้สักการบูชาของคนทั้งหลายเป็นประวัติศาสตร์ของคนในชาติหลวงพ่อว่ามีประโยชน์ที่เขาคิดทำหลวงพ่อว่ามันต้องมีโล ก, กนี้มันต้อง ม, ตองมีต้องมีประวัติศาสตร์พราะพุทธโลกองค์นี้ทางว่าสร้างขึ้นมาแล้ว จะอยู่นานนานเท่านานอนานเท่านานเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนหินขาวจากประเทศอิตาลีแต่หลวงพ่อเ็นโอ้น้าส่งสารต่อไปอนุชนรุ่นหลังทางวิทยาศาสตร์ของเขาเจะเดิญอย่างยุคสมัยของเราเนี่ยเขาคงจะเอากล้องส่องแล้วส่องเหยี้หินนี่มาจากไหนสงสารเขาว่มืนกันสงสารเขา เขาหินก้อนนี้มาจากไหนเขากค้นหาแถวนี้เหมือนกันค้นเท่าไรก็ไม่เจอเหมือนเพราะไม่ใช่แหล่งหินเหมือนกันอย่างปิรามิดที่เขาสร้างขึ้นมาที่อียิปต์มืนอนไม่เลาะหินมาจากไหนมันโผล่ขึ้นกลางทะเลทรายใช่ไหมก็เลยเป็นสิ่งอัศจรรย์ขนาดหนักเลยเหมือนกันแต่อันนี้ก็เหมือนกันเน่ยพวกพุทธโลกหินอ่อนหินขาวที่ขึ้นมาบนหลังเขาภูก่ร์ลงพอดูน่าสงสารต่อไปภายภาคหน้าอนุชนรุ่นหลังเขาคงจะค้นหา แหล่งหินนีคงจะหาไม่เจอเมื่อวันเมนก่อนเขาก็เข้ามาพวกพูดสื่อข่าวต่างๆเราขึ้นไปภูก้อนพกผูก้อนลงมาที่นี่คงจะมากกว่าพวกเรานี่มันแที่มาวันนั้นนะคือแค่ว่าพวกสถานีวิทยุพวกหนังสือพิมพ์พวกทีวีพวกนั้นน่ะแต่ที่เขาว่าเขาจะควมหมดทั่วประเทศอะไรงนั้นหลวงพ่อก็บอกเออ การสร้างพระนีน่นะสร้างพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของประเทศชาติไทยประเทศเดียวพระพุทธรูปเนี่เป็นสากลอย่างวันวิสาขาบูชาอย่างนั้นเป็นวันสากลแห่งโลกเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสากลแห่งโลกเพราะฉะนั้นถา้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสัมคีกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันพุ่มเทลงมาช่วยกันใครเห็นว่าจุดไหนที่จะเกิดประโยชน์ กับพระพุทธปฏิมาองค์นี้ก็เอาร่วมร่วมกันสร้างจะเป็นกุศลจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาตินานเท่านานแต่ถึงยังไงก็ตามท้าวอวัตถุนี่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นสมัยนั้นอย่างบรูพุทธโธ ย, ย่างไงที่สร้างอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นสถานที่ตัวเป็นมรดกโลกอะไรเป็นที่สําคัญแห่งโลกแห่งหนึ่งอันนั้นถ้าไปดูดูแล้วก็ฟันเป็นหินเหินทั้งแท่งเลย ที่เขามาทําโบราณนะจนเป็นของแปลกทีเดียวแต่ถ้าว่าไม่มีบุรุพุทโธนะเป็นหลักก็คงจะไม่รู้ว่าพุทธศ า, ส, าธสนาอยู่ที่นั่นเจริญขนาดไหนแต่ในขณะนั้นก็ยังแข่งขาก็ยังทุบกันมาลึงถึงเป็นนังกันไปหมดแต่ว่าถึงยังไงเขาขก็ทุบไม่ได้เพราะมันใหญ่เพราะฉนั้นยังเป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยวทุกวันนี้นก็ยังฟื้นฟูขึ้นมาเมื่อทิศทีแรกคุณอินโดนีเซียเขามาที่นี่ มาประมาณสักรถบัสจมย่อมคันหนึ่งนะเข้ามาหลงตาแลยจะมาท่านอาจารย์ทูลแล้วก็มาที่นี่จากนั้นเขาก็จะไปวัดหลวงปู่ศรีร้อเอแล้วก็ไปดูเจดีย์ใหญ่แล้วก็ไปดูเจดีย์โบโรุพุทโธ ท, ที่หลวงปู่ศรีสร้างที่วัดป่ากุ้งจากนั้นเขาก็คงจะกลับประเทศของเขาทัานทีเขามาถามเขาบอกเขาสนใจเรื่องพระพุทธศาสนามากสนใจเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเขาบอกว่าประเทศของเขาเดียวนี้นะ เป็นเด็กหนุ่มนะปกนักศึกษาอายุ I 20ิกว่าปีเนี่ยเป็นผู้สอนศาสนาอ่านพระไตรปิฎกอ่านศึกษาทั้งภาษาบาลีทั้งอังกฤษทั้งไทยทั้งอะไรทั้งพ ม, มา่าทั้งลังกามาผสมประสานกันเขาก็ตั้งโรงเรียนนะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาสอนเรื่องพุทธศาสนาที่อินโดคอนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ว่าเขากําลังฟื้นฟูที่พวกมาเหมือนกันพวกพิมานั่งเขาสนใจมากเขาก็ถาม ถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ให้พระหลวงพ่อในะองค์หนึ่งเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษะนะให้ท่านลัตนาหลวงพ่อก็พูดพูดท่านกับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อินโดและอินโดมีอยู่สองคนมั้งเขาได้ภาษาอังกฤษท่ากับแปลเป็นภาษาอินโดให้หมูเพื่อนเขาฟังอีกทีหนึง ส, สามทอดว่างั้นเอะเออแต่ว่ามันไม่รู้จะตกหล่นไปทิ้งไหนก็ไม่รู้ว่างั้นเอออเออเ อ, อ, เ อ, อ, องค์แรกนี่ก็ตกหล่นไปบ้างแล้วองค์ที่สองก็ตกหล่นไปอีก คนที่สามออกไปอีกว่าไม่รู้จะตกหลดไปอย่างไงก็ไม่รู้แต่เขาตั้งใจฟังนะเนลวลาเขาคนหูตั้งใจฟังแบบสนุกสนใจจริงๆเหมือนกันหลวงพ่อเห็นแล้วเออดีหลวงพ่อคิดว่านี่แหละถ้าจะว่าไปชาวพุทธอย่างเมืองไทยของเราถึงศาสนาอะไรมาก็ตามเขามาลบล้างนะคนที่นับถือพุทธศาสนาอย่าง อย่างนึกถึงหัวใจแล้วถึงจะตายไปเกิดขึ้นมาก็ยังพุทธอยู่ในใจ เ, เพราะฉะนั้นเวลามีใครมาฟื้นเรื่องคําสอนของพระศาสนานะเขาจะยอมรับทันทีเพราะจิตวิญญาณของเขามันพื้นเพ ม, มันมีอยู่คือจิตตั้งเดิมของเขามันพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขามาพูดอะไรให้ฟังกระตุ้นนิดหน่อยยอมรับทันทีเนี่ยอินโดนีเซียกําลังขยายเลยเนี่ยทๆว่าเขาเชื่อฟังแต่นี้พอเมื่อวานเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปวัด ดงสีชมพูหลวงพ่อทุยไปเห็นท่านทําหลักสีลาจารึกท่านบอกทั้งสือทั้งหลายแหละ เ, เขาทําลายได้ท่านก็เลยทําเป็นลักษณะหลักสีลาจารึกเป็นหลักหู บ, อบอ๊อใหญ่เลยก้อนเห็นเป็นตันๆเลยเงี้ยแต่แต่นี้ท่านก้อหินแปลนดิดรุ่นใหม่เขาก็ทําแบบลื่นเลยเงี้ยแต่จากนั้นเขาแกะสลักด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นเขาก็ใส่สีทองจะเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์ในยุคนี้แหละคำสอนหลวงปู่มัน คำสอหลวงปูเ่เสาคำสอนหลวงปู่อุบาลีคำสอนหลวงปู่ฝั่นหลวงปู่ต่างๆหลวงตามหาบัวหลงตามหาบัวเขาจะลงเรื่องสินสมาธิปัญญาสินคือรักษาอย่างไงสมาธิเป็นงไงปัญญานในทางของปวกกระศาสนาเนี่ยพึ่คือปัญญาอะไรในรับศิลาจานึกแต่ละต้นละตนเงี้ทั้งหมดเป็น40่สิบหัวตนนะว่าประมาณเป็น40กว่าล้านเหมือนกันนะแต่นี่ทํายังไม่เสร็จแล้งหน้านี่แหละแล้งหน้าเี๋วจะเสร็จ แต่ในพรรษาท่านก็ บ, บอกให้ระงับไปก่อนกลางในพรรษาหรือนอกอาคารนอกอาคารแต่ที่โรงเลยในที่โลงกลางพลารานหินได้นะมันเป็นพลารานหินอำเภอปากคาดจังหวัดหนองคายเ น, นีบบ่วัดนั้นแ่ะแต่หลวงพ่อก็เลยพูดแย่ๆท่านเล่นหลวงพ่อไปที่ไหนยอดแย่แยเพรานงั้นแย่ให้เป็นแนวความคิดไม่ใช่แย่เพื่ออะไรหรอกว่หลวงพ่อ่ะหลักศิลาจารึกเนี่ยผมก็หวาดดีเหมือนกันนะ แต่ถ้ามันคนหมดยุคนะหมดความเคารพหมดความเรื่อมใสหมดความสนใจนะหลักเสลาจะเลือกเขาไปคนโบราณเขาเขียนอะไรลักษณะอย่างงั้นแหละเพราะว่ามีโยมคนหนึ่งท่านเป็นวิศวกรของรถไฟเดี๋ยวนี้ก็อายุเจ็ดสิบกว่าเลือกแปดสิบแล้วท่านก็มาท่านบอกว่าสมัยท่านไปเที่ยวประเทศจีนมีไกด์นำเที่ยวเขาก็พาไปนี่แหละที่พระพุทธรูปใหญ่ที่นั่งอยู่ติดทะเลนะนะ อแล้วก็มีผนังถ้านะเขาก็จารึกภาษาธรรมะใส่ฝาผนังถ้ำคณะไทยนี่ก่อเดินไปไกด์คนนั้นก็นำคนกพถามว่าเขาเขียนอะไรอ่านให้ฟังหน่อยสิพ า, าจารีเขาก็อ่านเป็นภาษาจีนให้ฟังผมบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดมาแล้วตายเอมันลูกพูดทําไมเกิดมาแล้วก็ต้องตายเนี่ว่าไกด์เขาพูดตายแล้วเกิดอีก ใครทําอันไหนได้อันนั้นใครปลูกข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเจ้าใครปลูกข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวใครปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงใครปลูกขนุนก็ได้ขนุนไม่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคนให้เขาอ่านนะเออคนไทยนี่ก็ฟังด้วยความตั้งใจว่ะพอสนที่สเขาอ่านเขาเขียนอะไรเขาพูดโบราณเขาเจีนพี่บาทพี่บอขดภาษาโบราณ เขาก็มาพูดให้พวกข้างหลังอีกคนไทยที่ฟังนแต่พวกไทยที่ฟังนี่ซึ้งยุ่นพอแรงแล้วเหมือนนเถอะซึ้งในภาษาธรรมะเหมือนกนเถอะเออซึ้งในภาษาธรรมะที่เขาเขียนนั่นแหละเพราะเหตุใดเพราะว่าเขาเขียนบอกว่าคนเกิดมาทั้งคนต้องตายใช่ไหมพอตายแล้วต้องเกิดอีกพอเกิดอีกแล้วเนี่ยใครทํากรรมอันไหนไว้ถ้าทํากรรมชั่วเราต้องได้รับกรรมชั่วเมื่อเราปลูกขนุนก็ต้องได้รับขนุนเออ เมื่อปลูกมะม่วงก็ต้องได้รับมะม่วงใช่ไหมจะไปะรับอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมไทยทากรรมสิง่งใดไว้คนนั้นจะต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทาไวเ้เขาเขียนใส่ฝาผนังถ้ า, ามันแต่คนที่อ่านเนี่ยมันหมดยุกใช่ไหมเออมันหมดยกุกมันก็เลยเปลี่ยนไปอย่างอื่น พ, พี่บาพี่วอภาษาโบราณเขาเขียน <c oughs> <c oughs> เออภาษาภาษาพี่บาพี่วอภาษาโบราณเขาเขียนไปอย่างงั้นแล้วโอ้เออ แต่คนที่ฟังนี่โอ้โหซึ่งในทำในทำคำสังสอนนั้นวะอันนี้ก็เหมือนกันในหลวงพ่อว่าจงหลวงปูท่ทวยที่เขียนหลักที่ราจใจลึกนะ เ, เขาก็มาแกะอ่านต่อไปภายภาคหน้าโว้กนโบราณพูดอะไรก็ไม่รู้เลยที่แท้คือเป็นภาษาธรรมะสอนใจของคนเพราะมันเหมือนมนหมดยุบนะหมดยุบหมดความสนใจหมดความศึกษาในภาคปฏิบัติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นไงไปวัดตัดน้ำผพุคงจะได้ศึกษาธรรมะอยู่หลายวันได้ห้าวันเหรอเออตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านว่านะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เราสถาคดสอนเนะ่ะถ้าว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ตั้งใจจริงนะใจอยู่ในจติปฐานสี่กายเวทนาจิต ธ, ธรรมใจอยู่ในจติปฐานสี่โดยไม่เผลอ ท่านผู้นั้นเขาจะได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์ภายในเจวันถ้าไม่อย่างนั้นก็เจเดือนถ้าอย่างนั้นก็เจปีอย่างชาที่สุดไม่เกินเจปีเขาจะได้สําเร็จมรรคผลเพราะพระเจ้ารับรองพยากรณ์อย่างนั้นคล้ายๆว่าถ้าทํางานอย่างนี้เดินไปอย่างนี้นะทั้งที่เขาไม่มีเงินสักตังค์ว่างั้นเถอะแต่เขาทํางานอย่างนี้กีดยากตั้งแต่กีดขีดแรกแล้วว่างั้นเถอะ ปกีางนี้่นะเขาทําไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยทําไปจนตลอดในวิธีการทำนี่อีกสักวันหนึ่งนะอย่างมากในสุดไม่เกินเจ็ปีเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีแน่แนคนนี้ลักษณะอย่างนั้นเนอร์ อ, อันนี้คือทันรับรองถ้าหากว่าบุญวาสนาเก่ามีอยู่ก็จะได้เจ็ดวันถ้าหากว่านั้นก็เจ็ดเดือนถ้านั้นก็เจ็ดปีเพราะนั้นพวกเราไปอยู่ตาดน้ําพุได้กี่วันก็ ในห้าวันโอ้ยยังไม่ถึงเจ็ดวันคงจะได้พระโสดาสกทาคาอยู่บางหนิเหรอกัรเหรอเออโอ้้าถ้าถ้าว่าทำอย่างติดต่อเนี่ยถึงพระละหันได้นะมาขอบารมีหลวงพ่อยโอ้ยใหม่บารมีหลวงพ่อมีแต่แหนท่านเองนะ พูดทำคือพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนั่นนะหลงพ่อมีแต่ชี้หนทางมีแต่บอกแนวแนวทางเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วสติปัฏฐานสีของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อว่าถ้าว่าเราพูดมันพูดได้ใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ในกายรู้อยู่ตลอดเวล่ําเวลาในกายไม่ให้พั่งเผอจิตอยู่ในกาย อยู่ในเวทนาคือเวทนาทางนอกหือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าใจไปกระทบสิ่งไหนก็รู้ว่ามันมีสุขแล้วมันมีทุกในใจในเวทนาทางใจทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาแต่นี้จิตความนึกคิดความปรุงแต่งของจิตก็รู้อยู่ตลอดว่าจิตนึกคิดเรื่องอะไรแลร้วก็ทําสิ่งที่มากระทบใจก็รู้อยู่ตลอดว่ากระทบเรื่องอะไรแต่ตามไม่จริง ในสติปัฏฐานสีนี้ไม่ใช่ว่าจะวิ่งไปทั้งสี่อย่างาให้อยู่ในอันใดอันหนึ่งจะอยู่ในกายก็ได้จะอยู่ในเวทนาก็ได้จะอยู่ในจิตก็ได้จะอยู่ในธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่งอยู่ตลอดถึงเจปี <c oughs> อันนี้เรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยขนาดหนึ่งนาทีไม่รู้รรว่ากี่ลอบโลกกข้ามาในตัใจของเราเนี่ยเอพราะนั้นที่จะให้อยู่ใ้สติปัฏฐานสีเนี่ยมันยากมันต้องมุ่งมั่นจริงๆท่านก็เปรียบเทียบอีกทีหนึ่ง ผู้ที่จะทําให้จิตอยู่ในจตติปฐานสีนั้นต้องเห็นภัยในโลกวัตฏสงสารอย่างสุดๆเห็นขนาดไหนแค่ว่าเหมือนกับเราถือขันน้ํนามันงาน้ํามันงาในเต็มเปี่ยมแล้วเขาเอาเจ้าจงถือขันน้ํามันงาถ้ามันหกเมื่อไรเจ้าต้องโดนตัดคอในขณะนั้นแล้วให้เดินไปหนึ่งกิโลแล้วก็ทางขู่ขาด้วยและทั้งหลุมทั้งบ่อด้วยแล้วก็ไม่ให้มันหก ถ้าว่าเจ้าหกเมื่อไหรเจ้าคอขาดปรร น, นั้นเพชะฆาตถือดาบจ้องตามหลังอยู่ตลอดแล้วคนคนนั้นเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวไเขาจะต้องระวังที่สุดเลยๆๆๆเงี้ยเพื่อรักษาไม่ให้น้ำมันมันหลุดหล่นออกจากขันนั้นนั่นแหละการรักษาสติถึงขนาดนั้นแหละจึงจะว่าสติปัฏฐานสีจูกับตัวเองได้เพราะว่าเห็นภัยว่าพญามัจจุราชทั้งอยู่ด้านหลังนี่ต้องตัดคอเราชัว่ว ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งขณะใ ด, ดก็ต้องขณะหนึ่งนี่แหละถ้าว่าเราเห็นภัยถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตัวเราขนาดนั้นสติของเราจะอยู่ในสติปัฏฐานสี่อยู่ตลอดแต่ถ้าหาว่าเราหลงลืมตัวเรายังติดในสุขยังติดในความสบายติดในการพูดการคุยการสนทนาปารบับติดในหมูในเพื่อนติดในรถอาหารติดในการเป็นอยู่ถ้าเราเผลอไปอย่างนั้นแปลว่าสติตัวนี้มันหลุดไปแล้วออืเนี่ยแหละ เพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเนี่ยทำเนียกวนะ่าอะให้คิดเอาไว้ถึงจะทําไม่ได้ก็ให้คิดให้คิดเอาไว้ว่าสติของพวกพุทธเจ้าที่ท่านให้อยู่ในสติปัฏฐานสีนั้นขนาดไหนเพราะงั้นแต่แต่หลวงพ่อว่าดีนะที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมตามวัด ต, ต่างๆอย่างเนี้ดีกว่าไม่มาถึงเยอะแะถ้าเราไม่มาเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้ ถาาว่าเราลงมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรานึกย้อนถึงพระพุทธเจ้าของเรานะพระพุทธเจ้าของเราท่านออกบวชอายุยี่สิปีตาไม่จริงคนที่อายุยี่สิปีเป็นช่วงที่ว่าสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุดกําลังวังชาสมบูรณ์คนยี่สบเกปีแต่นี้เมื่อท่านออกบวชท่านเห็นอะไรท่านรู้อะไร ท่านทาไมจึงออกบวชถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าแผ่นดินจัดเถือนสะท้านหวั่นไหวเพราะว่าพระเจ้าถุอโททนะพระบิดาหมายมั่นปันมือว่าจะให้สิทธะลูกหัวแก้วหัวแหวนของพระ อ, องค์ครองราชสมบัติจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งหมดอย่างที่โขนเขาพยากรณ์เอาไว้คล้ายๆว่ะ หัวจิตหัวใจของพระเจ้าสุโฑธนพระบิดานั้นมีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นอย่างสุดๆแต่ทีนี้ทำไมสิทธัตถะจึงหักล้างน้ำจิตน้ำใจน้ำประทยของพระบิดาลงจนป่นปี้จนไม่มีอะไรในหัวใจของพระบิดาเลยทำไมสิทธัตถะจึงทำได้ลงขอบทำไมจึงทำได้ถึงขนาดนั้นนอันนี้ถ้าเราปุติชนคนธรรมดาพวกเราจะต้องคิดคิดอย่างมากเลยว่างั้นเถอะ ถ้าว่าเป็นลูกของใครก็เถอะถ้าทําอย่างนั้นนะถ้ามีลูกคนเดียวแล้วก็มีทรัพย์สมบัติเต็มไม้เต็มมือทั้งหมดแล้วหมายมั่นปันนู้นว่าจะต้องให้ลูกคนนี้แหละเป็นผู้ครองสมบัติของพ่อแม่แต่นี้ลูกหนีไปซะอย่างเนี้ยพ่อแม่นะ่าจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้พวกเราไม่ต้องคิดคิดถึงเราก็แล้วกันนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นแต่นี้ท่านท่านเห็นอะไรท่านจึงหนีออกไปบวชอย่างนั้น ท่านก็เห็นเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายแต่ตามมาจริงคนทั้งหลายเขาก็เห็นทั่วๆไปเขาก็เห็นแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่สิทธัตถะเนี่ยทำไมคิดเออทาไมคิดถึงขนาดนั้นเพราะเหตุอะไรท่าจะว่าไปคือพระบรรมีของพระองค์แก่กล้าแล้วมองของที่คนมองไม่เห็นท่านมองเห็นที่ว่าเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงคนมองไม่เห็นถือว่าเป็นธรรมดาเพราะเกิดแก่เจ็บตายตายมาตั้งแต่ปู่ย่าตาย ถวดก็ตายมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเราจะตายไป็นสักคนนึ่งจะเป็นอะไรแต่ศริษฐธรรมนนี่ไม่ได้มองอย่างนั้นมองแปลกแตกกว่าคนทั้งหลายทั้งหมดคนทั้งหลายมองธรรมดาแต่ศิทฐธรรมน์มองทาไมความตายจะเหยียบย่ำทำลายตัวเองอยู่ขนาดนี้อยู่แล้วทำไมคนจึงสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่หาทางออกไม่หาทางพ้นทุกข์ไม่หาหนทางที่จะหลีกลีหนีไปให้พ้นได้ อันนี้คือความคิดของศิทธะจากนั้นพระองค์ก็หาวิธีที่จะออกบวชได้จังหวะได้เวลาท่านก็ห น, นีไปบวชโดยที่ว่าไม่ได้สัง่งไม่ได้ลาไม่ได้บอกกล่าวใครทั้งหมดถ้าว่าบอกกล่าวบอกลาคนทั้งหลายเขาก็จะต้องมาลุม้มมาตุ่มห้ามท่านไม่ให้ท่านไปโดยเด็ดขาดเพราะนั้นท่านจึงหนีไปเวลากลางคืนไปคณฉันะทานเอกไปสองคนนั่งมา้าขันตากะ วิ่งหอบบึ้งเลยเหมือนกันแ ต, แต่ทราบข่าวว่าหลวงพ่อไม่เคยไปประเทศอินเดียนะแต่ทราบว่าจากเมืองกระบินรพัฒมาถึงแม่น้ําอโนมาน่ยที่พระพุทธเจ้าทรงผนวดห่างกันประมาณส0งร้อ200รกว่ากิโลเรษเศษเหมือนกันนะไม่ใช่ใกล้นะแต่ตามไม่จริงยุคสมัยนั้นก็คงจะเป็นปุ่มเป็นท้องนาคงจะไม่ใช่ป่าดงพงไพที่ม้าจะวิ่งลําบากเหมือนกันแต่ประเทศอินเดียหลวงพ่อไม่เคยไปนะ แต่นนี้นเมื่อพระพุทธองค์ไปอยู่ที่นั่นแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าไปเสเวยความสุขบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าสิทธะเห็นแก่ตัวยุคสมัยนี้กิเลสคลองเมืองเขาก็ตู ว, ว่าสิทธะเห็นแก่ตัวทั้งที่มีลูกมีเมียแล้วมีทรัพย์สมบัติหนีไปตามลําพังไปอยู่ในป่าไปอยู่องค์เดียวไปหาความสุขคนเดียวไม่รับผิดชอบครอบครัวลูกเมียประเทศชาติ ศีรษะเห็นแก่ตัวอันนี้คือกิเลสทั้งหลายเขาประนามประนามธรรมะว่ากั้นแต่ศีรษะท่านไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์หัวใจท่านเหล่านั้นว่าเขาจะคิดเรื่องอะไรแต่ว่าศีรษะท่านมองเห็นแล้วว่าคือความแก่ความเห็ียงความตายเนี่ยพญามัจยุราชที่จะตัดพระเสียรของพระ อ, องค์เนี่ยท่านมองอยู่แล้วพระเจ้าแผ่นดินคนก่อนๆหรือต้นตระกูลคนก่อนๆข้าตุกตัดมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัย เพราะนั้นถ้าเราจะนิ่งอยู่เฉยๆอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องถูกตัดอีกแน่นอนเพราะนั้นจะมีวิธีไหมที่จะไม่ให้พญามัจจุราชตัดพระเศียนตัดคอไปได้ง่ายๆนี่อันนี้คือความคิดของศรีธะจากนั้นพระองค์ก็ไปบวชอยู่ในป่าไปทดลองลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดถึงเวลาทั้ง6ปีไปบำเพ็ญทางด้านจิตใจไปศึกษากับตาราดาบด อุตรกระดาบทอษีสองท่านจากนั้นก็นศึกษาในฝ่ายการทำสมาธิฝ่ายทาฌานก็ท่านก็ได้สำเร็จตามที่ฤษีทั้งสองท่านสอนให้ทุกอย่างแต่ท่านก็มองว่าไม่ใช่ผลทางท่านก็กลับมาอีกมาตามลำพังมาบำเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นก็บำเพ็ญทุกข์กริยาอดภักกาหารอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นถึง49เวันออการอดภักกาหาร เป็นเครื่องสะดวกสบายสนุกสนานใช่ไหมหลีกไปหาความสุขตามลำพังใช่ไหมอดพกยาหาร4ี่9้าวันเกือบตายถ้าจะว่าไปแล้วรอดบุดวิดตัวงานแต่เป็นการทดลองเป็นการทดสอบพระ อ, องค์พระ อ, องค์ไม่ได้นิ่งดูได้ไม่ได้ ส, สแสวงหาความสุขแม้แต่น้อยที่ไปอยู่เวลาถึงหปีคล้ายๆกับไปบำเพ็ญหาช่องทางถ้าว่าอยู่ในเวียงในวังก็ไม่มีโอกาสที่จะคิด ในเรื่องธรรมะอันลึกซึ้งอย่างนั้นได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสํานักงานมีแต่เรื่องยุ่งเหว่งวุ่นวายเราจะไปคิดเรื่องทำกิจให้สงบมันคงจะยากเพราะนั้นพวกเราจะได้มาสา ะ, ะแสวงหาวัดวาศาสนาอยู่ในปา่ารงพงไฟหาบุมสงบท่งว่าผู้ใดฉเฉลียวฉลาดหรือว่ามีความตั้งใจจริงไม่เห็นแก่พูดแก่คุยไปตามลําพังพอมาถึงสถานที่ก็หลบปลีก หาแหล่งที่สงบหาโขดหินก้อนหินหากดิที่พักตามลําพังอยู่โดดเดี่ยวเงียบสงบล่มไม้แล้วก็ไป น, นั่งภาวนาดูใจของตนเองอันนี้จะพบความสงบได้ง่ายจะดีกว่าพวกที่นั่งพูดคุยกันสนทนากันและจะให้หาความสงบนั้นหาโอกาสได้ยากอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพระองค์อยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในเวียงในวัง ธุเลาหน้าที่การงานไม่รู้อะไรต่อเรื่องอะไรจะต้องรับผิดชอบพระองค์จะหาความสงบสุขทางด้านจิตใจของพระองค์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระองค์มองไม่เห็นจึงหลบหลีกหนีจากบริษัทรบริวารเข้าไปบําเพ็ญอยู่ป่าคือหปีทดลองอยู่นั้นจนถึงวันจุดท้ายวันเดือนหเพนวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมท่านก็นั่งคัดสมานั่งอยู่โพนต้นโพนายโสธิยะ นำยาคาแปดกำมือมาถวายจากนั้นเกลีย่ยลงที่โคนต้นโพพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรงจากนั้นก็ขาขวาทับขาซ้ายนั่งคัดสมาธิแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ด้วยกรรมาฐานอะไร เราพูดได้เลยว่ากรรมาฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ท่านไม่ได้ว่าพุทธโธอย่างพวกเรานะหลวงปู่มั่นท่านเห็นว่าพวกเรากําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดามันน้อยไปท่านเคยให้สำทับพุทธโธเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้เป็นเครื่องยึดแต่พระพุทธเจ้าสิทธิฐานมีแต่กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก หายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้นวันเดือน6เแผ่พอตอนหัวค่าตอนย่ำำําค่าตอนปฐมมยามปฐ ม, มยามก็ตั้งแต่สี่ทุ่มลงมาจนถึงทุ่มหนึ่งเรียกว่าปฐมมยามเพราะพุทธองค์ภาวนาจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศน์ะเกิดฌานมีความรู้ขึ้นมาและลึกชาติผลหลังได้คือเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วนะ พระพุทธองค์ถอนออกมาน้อมกิตของพระองค์น้อมไปดูอดีตชาติเมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงปีหลางๆเป็นยังไงข้ามภพข้ามชาติเป็นยังไงพระพุทธองค์ได้ฌานได้ญานทัศนะได้เครื่องมือแล้วว่างั้นเถะมองไปได้ไกลยาวเหยียดเลยเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านๆชาติอันนี้เทว่าปุกเพนวาสานุสติยานระลึกชาติผนหลังได้อันนี้ก็คือเป็นเครื่องบ่งบอก ในยุคนั้นสมัยนี้หลวงพ่อว่าคงจะไม่แพ้กันยุคนี้สมัยนี้กับคนโดยมากเขาก็บอกว่าคนตายแล้วเกิดหรือคนตายแล้วสูญเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายมีคำถามคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุอะไรเพราะมีความสงสัยตายแล้วทาไมไม่มาบอกตายแล้วอะไรมาเกิดตายแล้วสูเพอตายแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรออกจากร่างแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะ ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเรามองเห็นแต่รูปประธรรมที่นั่งอยู่รูปประธรรมส่วนนามนธรรมใจนั้นไม่มีใครมองเห็นกันมันออกทางไหนมันเข้าทางไหนไม่มีใครรู้่เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านสนใจเรื่องนามนธรรมเลมากกว่ารูปประธรรมรูปประธรรมในรูปร่างกลางตัวเป็นยังไงแก่เท่าฉราเป็นยังไงเด็กหนุไไ่มเป็น ย, ยังไงโง่ฉลาดเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมองการเห็นรู้ว่าคนนั่นคือใคร คือรูปประธรรมแต่ส่วนานามธรรมนะั้นไม่มีใครมองเห็นกันเพราะฉะนัน้นตัวนามธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสนใจอย่างมากในจุดนี้เรีย mm hmm. ว่าโมโนโปุพังเข้ามาธรรมามโนเสถิามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจใจคืออะไรใจก็คือนามธรรมที่อยู่ในร่างของคนคนนั้นสรุปแล้วก็คือคนคนนั้นมีอยู่สองอย่างอยู่ในตัวของเขาคือรูปปรธรรมและนามธรรม แต่พระพุทธเจ้าท่านสนใจเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปประทรับส่วนรูปประทับนั้นเป็นมาอย่างไงมาจากท้องแม่ยังไงเป็นไปอย่างนั้นแก่เท่าชะลาไปแต่นามธรรมนั้นสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้พราะยนั้นท่านจึงสนใจว่านามธรรมที่อยู่ในตัวของเขาเนะี่ยคืออะไรเสรุปแล้ว ก, ก็คือเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างไรพราะพระพุทธเจ้าสนใจคนขับรถท่านไม่ได้สนใจเรื่องรถ นะรถนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นแต่คนขับรถนั่งจะให้รถดีจะให้รถตกเหวตกบ่อจะให้รถปีนภู ผ, ผาป่าไมา้จะให้รถชนภูเขาหรืจะให้รถชนที่ไหนคือคนขับรถเพราะฉนั้นท่านสนใจเรื่องคนขับรถมากกว่ารถเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงระลึกชาติผลหลังได้ตายแล้วไม่สูญนะเอีสูญก็คือร่างกายแต่ส่วนนามธรรมานะั่นคือจิตใจนะั้นไม่สูญ ระลึกชาติทวหลังใ้ท่านสูญแล้วท่านจะระลึกชาติทวนหลังได้ยังไงตายแล้วเกิดมาชาตินี้แต่ตายแล้วสูญเืพราะนั้นพระพุทธเจ้าทังวัดตายแล้วไม่สูญท่านยืนยันของท่านเพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องฟังเอาไว้นะศึกษาตัวนี้ให้ละเอียดแต่ถ้าพวกเราไม่มั่นใจว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญเราจะไม่กล้าทุ่มเททําคุณงามความดีอย่างอื่นเพราะเราไม่มั่นใจว่าถ้าทุ่มเทลงไปแล้วมันขาดทุนและทําไงตายแล้วสูญ มันจะได้อะไรเพราะมันตายแล้วสูญแต่ตามให่จริงมันไม่สูญพิสูจนตามหลักของพระพุทธศาสนาพิสูจน์ตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในหลักที่ท่านว่าปุบเพนวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นยังไงเมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงแต่บางคนก็บอกว่าถ้าตายแล้วไม่สูญทําไมเขาไม่มาบอกให้ตายแล้วเห็นเงียบไปพ่อแม่พี่น้องผู้คนตายไปแล้วก็ยังไม่เห็นมาบอกให้ ว่ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรพวกเราะคิดอย่า ง, ง, น, งบบนั้นคิดรวบรัดเอาแบบง่ายๆแต่ตามไม่จริงพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันลหลายหคนพวกเราคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้บอกกันได้ไหมแต่พวกเรารู้ว่าหลวงพ่อคิดเรื่องอะไรพอดียินคําพูดของหลวงพ่อบอกออกไปว่าหลวงพ่อคิดอย่างนี้พูดออกไปอย่างนี้พวกเราก็คอจะเดาได้แต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเดาไม่ได้นะพวกเราคิดยังไงในใจอาจจะดาหลวงพ่ออยู่ก็ไม่รู้คืออาจจะใช่ใช่ใช่หลวงพ่อพูดถูกแล้วเออ หลวงพ่อขีโอ่โม้อาจจะคิดอย่างนั้นอยู่ก็ได้เพราะว่าเหลวงพ่อเขาไม่รู้เพราะว่าใจแต่ละคนนั้นนานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ถึงยังไงก็ตามสรุปแล้วก็คือใจดวงนั้นน่ะมีความคิดรู้อยู่แก่ใจแต่บอกกันไม่ได้ส่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วจะมาบอกให้แก่เรานั้นมันบอกไม่ได้ถึงอยากจะบอกก็บอกไม่ได้เหมือนกับเรานั่งอเออตาผมอยากจะพูดให้คุณนะเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะบอกบอกนะผมจะให้ แนะนำอย่างนี้นะเขาก็เฉยเพราะเหตุอะไรเพราะส่งใจไปเพราะคนนั้นเขาไม่มีเครื่องรับเมือ่อเราส่งโทรศัพท์ไปอย่างนั้นะคนนั้นไม่มีเครื่องรับส่งไปมื่กันแล้วเพราะเขาไม่มีเครื่องรับจะบอกชื่อของเขาอย่างไงเขาก็ไม่มีเครื่องรับเขาก็เฉยแต่ถ้าเขามีเครื่องรับขึ้นมาเขาก็รู้ได้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระอนุรุทธะายาณทัศนะท่า น, นถึงกันท่านรู้ด้วยกันพอเปิดถึงกันป๊อพระพุทธเจ้าก็รู้ พระ อ, อนุรุทธาเขารู้ว่าพระจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับไหนไปที่ไหนขณะนี้เดียวนี้ท่านรู้ได้เพราะท่านมีญ า, านาทศนะเหมือนกันมีเครื่องส่งเครื่องรับเสมอกันนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษาตรงนี้ให้มากจากนั้นพระพุทธองค์ก็พอตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีสองตีสามจว่ามัดชิมมะยาพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปธรรมจุปะปะปะปะตะูปปาตาญาตการจุติของสัตว์ว่า ออกจากที่นี่จะไปเกิดที่ไหนออกจากที่นั้นไปที่ไหนอันนี้ก็รู้ด้วยพระองค์เองจตูปปาอัตยานแต่ได้พอจวนจสว่างพระพุทธเจ้าได้ปัญรุธรรมเยาวาอาสาวัคคยาญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะพระพุทธองค์ชำระใจของพระองค์หมดแล้วใจของพระองค์บริสุทธิ์แล้วใจของพระองค์ไม่มีเชื้อที่จะนําให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกแล้ว อันนี้พระองค์รู้ด้วยพระองค์เองในวันเดือน6กเพนเพราะฉะนั้นจุดนี้พวกเราควรจะศึกษานะศึกษาให้มากมากทีเดียวแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยไม่ใช่ศึกษาธรรมดานะถ้าศึกษาธรรมดาอ่านตำรับตําราแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้แต่ถ้าว่าพวกเราลงมือ ป, ปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างพวกเรามาฝึกามานั่งอยู่ที่ตาดน้ำผู้พอนั่งเข้าไปจิตสงบหรือจิตไม่สงบไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ก่อนเราไม่เคยคิดไม่เคยนั่งภาวนา เราก็ไม่รู้ว่าใจของเราเนี่ยมันปุ่งฟุ้งขนาดไหนแต่พอเรามานั่งอยู่ที่นี่เรารู้ได้ว่าใจของเราเนี่ยนั่งเข้าไปแล้วโ oh, อ้โหทำไมมันเอาไมา่อยู่เลยมันคิดปุ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ดึงมาที่ในก็ไปดึงมาที่ไหนก็ไ ป, ไไปโอ้ใจของคนพุ้งปุงขนาดนี้เหรอเราจะรู้ได้ในเมื่อรู้ได้แล้วก็อื่นระดับหนึ่งละเรารู้ใจว่าใจของเรานะความคิดของเราเมันปุงมันฟุ้งมันไม่อยู่ แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเราไม่ได้สนใจเลยว่าใจของเราจะเป็นยังไงไปที่ไหนมาอย่างไรไม่มีใครที่สนใจแต่บัด น, นี้พอเรามานั่งสมาธิเราพอจะรู้ได้เออจิตของคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่มันปุ่งฟุ้งออกไปตัวจิตไม่อยู่กับตัวเป็นอย่างนี้เองเนาะเราก็จะรู้ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตปุ่งฟุ้งอย่างนี้เราจะทํำยังไงเราก็พยายามกําหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้าบอรมครูของพวกเราที่ท่านได้ตรัสรูร้ทำกําหนดลมหายใจเข้า ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบทีนี้มันจะสั้นเข้าสั้นเข้าจิตจะอยู่กับตัวเองจิตจะรู้จิตใจจะรู้ใจความรู้สึกนั้นจะอยู่กับตัวเองจิตสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งเราก็รู้ล้วเออจิตของเราสงบเป็นหนึ่งจิตไม่หิวโหยจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่าน จิตไม่กระสับกระสายใจของเราไม่กระสับกระสายใจของเราเนื่งนักถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็จะรู้ได้ด้วยตนเองในขณะนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเราพอเพียงแค่นั้นเหรอไม่ใช่ในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกเมื่อจิตสงบแล้วนําจิตสงบนั้นนํามาพิจารณาออกมาพิจารณาพิจารณาทางวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือวิปัสสนึกนั่นเองวิปัสสนึกคือ น, นึก ปรงคิดออกไปให้เห็นตามความเป็นจริงนึกเรื่องอะไรอย่างพวกเราเป็นแพทย์เป็นหมอเราก็เห็นการผ่าตัดในร่างกายของมนุษย์แต่เราเห็นธรรมดาแต่เราไม่เบื่อไม่หน่ายไม่คลายไม่หลุดพน้นเห็นแล้วก็ยังติดยังคล่องอยู่ในร่างกายแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านให้มองดูในร่างกายของเราในร่างกายของเรามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าสอนเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง เมื่อพระ อ, อุปชาสอนทีแรกสำหรับสอนคุณบุตรผู้เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเน็นท่านสอนเพียงแค่นี้ก่อนเพราะมีเวลาน้อยเอาเท่านี้ก่อนนะถ้าจะว่าไปแล้วก็เอเอให้ไปสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกามาราคะนะอา่าอุปชาจะเอาปืนลูกซองให้หนัดนะเกสาลมาณขนะาทันตาตาโจกิเลสตัวไหนเข้ามาจริงเลยนะเอออย่าไปหลงมันนะยัาษาอย่างนั้นแหละท่านก็ให้กรรมาฐานหา แกกุลบุตรคนนั้นจากนั้นกุลบุตรคนนั้นถ้ามีอุปนิสัยมีปัจจัยมาเก่าท่านก็พิจารณาถึงกรรมาฐานเกษาผมมันอยู่ในสันฐานไหนโลมาขนมันอยู่ในสันฐานไหนหน้ขาเล็บท่านตาฟันตะโจหนังมันอยู่ในสันฐานไหนเอถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเราก็พิจารณาเข้าไปอีกมังสังเนื้อในร่างกายของเรามีเนื้อเหมือนกับเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อสัตว์ต่างๆวัวควายเนี่ยมันมีเนื้อทั้งนั้นเราก็มีเนื้อเหมือนกันเนื้อแข้งเนื้อขา เนื้ออะไรต่อเนื้ออะไรอยู่ในร่างกายเนื้อสันหลังอย่างนี้แล้วก็มีเหมือนกัดจากนั้งก็มีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีปังผื่มีไตมีปอดมีไส้ใหญ่มีไส้น้อยมีอาหารใหม่มีอาหารเก่าอันนี้คือร่างกายของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าพวกเราเป็นแพทย์เป็นหมอพวกเราก็เป็นธรรมดาเห็นว่าเป็นธรรมดาแต่ตามไม่จริงการว่าธรรมดาอย่างนี้แต่ถ้าว่าร่างกายพวกเราจะแตกนะ ถึงขราวแล้วนะแต่คนอื่นตายไม่เป็นไรเราทำใจได้แต่พอมาถึงตัวเองคุณจะตายแล้วนะคุณเป็นมะเร็งนะนะโอ้โหทำไมมาถึงเราเรารับไม่ได้เลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นทำไมเราเห็นเป็นธรรมดาแต่มาถึงตัวเองไม่ใช่ธรรมดาเพราะความตายตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดามันตัดขาดจากโลกจากยศถาบรรดาศักดิ์จากพี่จากน้องจากลูกจากเมียจากทุกสิ่งทุกอย่าง ออกไปจากโลกวัตฏะสงสารตายไปไปแบบเปลี่ยวเดียวได้ไปตามลำพังคนเดียวนี่แหละโลกทั้งหลายจุดนี้ถ้าเห็นคนอื่นธรรมดาแต่มาถึงตัวเองนล้วไม่ธรรมดาความตายที่พระพุทธเจ้าสอนคือสอนให้สอนด้วยปัญญาให้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่แหละจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่นี้การไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเห็นอร่อย เมื่อเห็นร่างกายแล้วยังไม่จบนะใครเป็นคนเห็นร่างกายร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นไปอย่างนี้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นแต่ใจของเราคือนามมธรรมตัวผู้รู้นะ่ะตัวนามธรรมที่ว่าตัวพูดเบื้องแรกนั่นน่ะเอที่ว่ากายกับใจเนะ่ะใจตัวนั้นน่ะมาหลงร่างกายมาหลงร่างกายตัวเองว่าร่างกายนี้เป็นของเสร็จสวยงดงามจะต้องอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเอถึงจะไม่คิดถึงขนาดนั้นก็เถอจะต้องแก่เท่าฉลาจะต้องตาย ตายธรรมดาแต่ตามไม่จริงถ้ามรถึงจุดนั้นใจยอมรับไม่ได้เหมือนกันนะใจของเราเนี่ยผู้รู้ของเราเนี่ยยอมรับไม่ได้โอ้โหทำไมมันทุรนทุรายมันเวทนาเกิดขึ้นมันทุกจริงๆ จ, จากนั้นมาพิจารณาถึงร่างกายแล้วแต่มันไม่อยากตายใจตรงนี้มันอยากจะยืดชีวิตของตัวเองให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่มันก็สุดที่ใสเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะยืดเยื้อไปนานเท่าไหร่ ก็มีอายุของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลที่สุดใจตรงนี้ก็ต้องจำยอมเมื่อร่างกายแตกสลายลงไปสู่ดินน้ำลงไฟใจตรงนี้ก็ออกจากร่างไปปฏิสนทธิี่ไปหาที่เกิดใหม่อีกไปพบภูมิใหม่อีกอันนี้แปลว่าเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก่อนที่พวกเราจะออกจากร่างที่นี่เป็นยังไงในจุดนั้นแหละพวกพระเจ้าที่ท่านสนใจอีกอย่างมากอีกเหมือนกันก่อนที่ใจจะออกจากร่าง ถ้าออกด้วยมีสติด้วยปัญญาด้วยบุญกุศลใจตรงนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ไปพบภูมิต่างๆไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะว่าเขาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเขายัางมีชีวิตอยู่เขาได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ดีแล้วรักษาศีลให้ทานภาวนาปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยอา น, นิสงส์ศีลของเขาอา น, นิสงส์ทานของเขาอา น, นิสงส์ การประกอบคุณงามความดีของเขาไหลเข้าสู่จิตใจของเขาเมื่อเขาออกจากร่างแล้วเขาจะไปที่ไหนเขาก็ไปได้เพราะเขามีทุนเหมือนคนมีเงินมีเงินอยู่ในใจ เ, เหมือนกับคนออกจากบ้านหรือว่าออกจากรถคันนี้แล้วเราก็เิีว้วแต่กระเป๋าเงินเฮ้วกับระเป๋าเงินไปเลยเพชรนินจินดาเต็มนนแน่นเอียดอยู่ที่นั่นอยู่ในกระเป๋าเงินเราจะไปในสถานที่ใดเราสั่งซื้ออะไรเราสั่งจ่ายอะไร ของอยู่นั้นมีคุณค่าทั้งหมดไปที่ไหนมีแต่ความสะดวกสบายเพราะเหตุไรเพราะเขามีเงินแต่ถ้าหากว่าวิญญาณที่ไม่มีเงินที่ไม่มีบุญออกจากร่างไปแล้วกระเป๋าแห้งจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงไปตกนรกหมกไหมไปใช้กรรมซะก่อนแมสรุปแล้วก็คือคี่ท่านว่าจุปะปะปะตูป่าตาหยาน การจุดติของสัตว์การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์เป็นมาอย่างนี้จะเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาหลักธรรมปฏิบัติเหล่านี้นะเอออันนี้ก็คือเบื้องต้นถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาจุดนี้พวกเราก็จะไม่มั่นใจไม่มั่นใจในการเป็นอยู่ของเราไม่มั่นใจในชีวิตของเราไม่มั่นใจในความประพฤติปฏิบัติของเราไม่มั่นใจในคุณงามความดีของเราเหมือนกันเออเพราะฉะนั้น ให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนาเนะี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกลหลายๆวิธีการบางท่านก็บอกว่าสติสมาธิอย่างที่หลวงพ่อพูดทำจิตให้สงบไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลยเออันนี้ก็ถูกหลวงพ่อไม่ปฏิเสธทั้งสองเงื่อนแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามในโลกวัตตะอันนี้การศึกษาของพวกเราหรือว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ย จะมี i อคสูงทั้งหมดใช่ไหมถ้าพวกเราคิดว่าคนทุกคนมี IQ สูงทั้งหมดพวกเราอ่านคนไม่ออกแต่ว่าเป็นประเภทโง่ อ, งอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเราคิดว่าคนทุกคนมี IQ สูงทั้งหมดแต่ตามไม่จริง iQ วของคนไม่เป็นอย่างนั้นนะมี IQ สูงมี IQ ต่ำไอค eqmq อมันแตกต่างกันเพราะนั้น เมื่อคนที่มีไอคสูงก็ไม่จําเป็นที่จะสอนกอไก่หอไข่หอปวดอขอควายอย่างที่เขาสอนเมื่อสองสามปีให้หลังเขาสอนเป็นคําไปเลยไก่ไข่ขวดควายคนละขังงูเขาจะเห็นตัวอะไรไปเขาก็จําได้เลยเพ อ, อเาะจำได้ที่นี่เขาก็ว่านช้างมา้าโบวควายบ้านเรือน จ, จัลลุดดาวเทียมเขาก็อ่านไปถึงเขาก็จําได้หมด แต่ใน้ถ้าหว่าคนที่ไอคิวไม่สูงอ่ไอคิวต่ําะเนี่ยวัวควายมันก็จําไม่ได้อันนี้คือตัวอะไรมันก็จําไม่ออกจําไม่ได้ก็ต้องต้องเขียนกอไก่ขอใครขอขวดคอควายจนท่องไปจนอหอนทูกเสร็จแล้วก็กอไก่สระอาก้ากอไก่สระอีกี้ก็ต้องท่องเป็นทีละตัวละตัวไปเพราะเหตุไรเพราะไอคิวเขาไม่สูงไอคิวเขาต่ํา เราจะต้องเรียนไปทีละน้อยละน้อยจากนั้นเขาจึงรู้เรื่องได้อ่านออกเขียนได้ในที่สุดแต่พวกที่มีไอคิวสูงไม่จำเป็นถ้าเปรียบเทียบก็ว่าพวกคิดปิญญาพวกรู้ได้เร็วไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิให้เหมือเอ่อยทำจิตให้สงบพิจารณาวิเคราะห์จิตใจก็ไปได้แต่ถ้าว่าขนาดเอาใจตัวเองก็ยังไม่อยู่แต่คุหนาคคุหลังคุซ้ายคุขวาใจตัวเองสติยังจับไม่อยู่ แล้วจะไปพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีทางพูดอย่างนั้นได้เลยต้องพยายามทําจิตให้สงบซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วภาวนามายะปัญญาจิตสงบแล้วจึงพิจารณาในเมื่อพิจารณามันจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้เพราะฉนั้นพวกเราต้องอ่านให้ออกต้องดูของเราในหลักของพุทธศาสนาพาระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าจริตมีอยู่หกอย่างศรัทธาจริตคนพูดอะไรให้เชื่อหมด อันนี้พวกศรัทธาจริตพวกโทสาจริตถ้าพูดอะไรให้มักโมโหโกทาให้เขาอันนี้พวกโทสาจริตไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราสังเกตนะเอาหลักธรรมะเขามายึดมาจับแล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราโมหจริตพอนั่งฟังแล้วก็ทับเขาง่วงไม่สนใจอะไรเลยอันนี้เพียกว่าพวกโมหะความหลงความมัวเมาความงโง่ อยู่ในใจของเราอันนี้บอกพวกโมหะจริตไม่คิดไม่อ่านอะไรพวกราฆาจริตชอบสวยงามเห็นอะไรมีแต่ประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงดงามอันนี้คือพวกราฆาจริตพวกพุทธะจริตเป็นพวกชอบคิดอ่านไตรตรองเหตุและผลทบทวนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วอะไรมีเหตุอันไหนมีผลมาทบทวนมาพิจารณาในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นๆอันนี้เป็นว่าพุทธะจริต พวกพิตกจริตเขาพูดนิดเด็ดหน่อยๆได้ยินเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาเนี่ยอยมาคิดมาปรุงมาฟุง้งมาสร้างเพระที่สุดจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะความคิดของตนเองอันนี้แปลว่าพวกวิโตกจริตการที่จะรู้จริตของตนเองนั้นใครจะเป็นคนรู้นะคนอื่นก็พอจะรู้ได้เน่ยแต่ตนเองน่ะจะรู้อะไรมากกว่าใครๆทั้งหมดเออแต่พวกเราเห็นเองอันนี้มันขี้โกรธพูดอะไรแย่หน่อยนึงมดโมโหตัสูงอันนี้มันเจ้าโทสะ แต่เนี่เจ้าราคานะอทําไมมันเป็นอย่างนี้เราก็พอจะรู้ได้แต่ถ้าว่าตัวเองเอาธรรมะเข้ามาจับแล้วไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองพรายนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการประพฤติปฏิบัติให้สังเกตตัวเองให้มองตัวเองให้รู้ตัวเองอ่นะางว่าพวกเราไม่สังเกตตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วใครจะมารู้ให้แก่เราแต่ว่า ก, การปฏิบัติธรรม แนะกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้กรรมาฐานสี่สิบนะคือทําจิตให้สงบเป็นเบื้องต้นซะก่อนต่อไปก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญากันน้อมจิตเข้ามามาดูใจของตัวเองถึงเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะใจนี่คือมาเห็นร่างกายของตัวเองถ้าใจของเราเห็นร่างกายใจของเราไม่ลุ่มไม่หลงไม่มัวไม่เมาใจของเรารู้ใจเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้ใจของเราเศร้าหมอง ใจของเราผ่องใสใจของเราเป็นยังไงถ้าเรามีสติมีปัญญาหลวงตามหาบัวท่านบอกว่ามหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาไม่หลงไม่เผลอมหาสติมไม่มีวันเผลอปัญญาใครว่าเป็นปัญญาที่เสียบแหลมมากพิจารณาถึงใจก็รู้ได้ด้วยใจของท่านเองขณะนี้ใจของเราเป็นยังไงใจของเรามีอารมณ์มากระทบมันเศร้าหมองไหมมันผ่องใสไหมมันดีใจไหมมันเสียใจไหม มันสุกไหมมันทุกไหมไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทันว่ากุศลาธรรมมาจิตที่เป็นกุศลอากุศลาธรรมมาจิตที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมาจิตที่เป็นกลางกลางไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญอันนี้ถ้าเราจะพูดเปรียบเทียบให้ฟังกุศลาธรรมมาจิตที่เป็นกุศลคือกือจิตที่ผ่องใสจิตที่เบิกบานจิตที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องจิตเบิกบานใจสบายอากุศลาธรรมมา จิตที่เป็นอกุศลจิตที่ดําจิตที่โมโหโทโสจิตที่มีความทุกข์ลึกๆในจิตใจไม่รู้จะจะปล่อยวางยังไงตรงไหนที่เรียกว่าอกุศลธรรมอัพภยารตาธรรมมาจิตที่เป็นกลางๆจิตไม่ยึดมั่นจิตปล่อยเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ว่าไงแต่จิตประเภทกลางๆมันยากนะมันหาได้ยากโดยมากมันไปสุดโตงข้างใดข้างหนึ่งจิตที่เป็นกลางๆเนี่ย ไม่ค่อยจะมีเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกทกท่านนะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะอาจารย์หมอพวกคณะทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรม เ, เสียสละมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจน่าอนุโมทนาสาธุ ก, การด้วยเป็นอย่างมากที่พวกเราได้เสียสละเ ว, ล, วลาเวลาออกมาศึกษาปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆพวกเรามาดูตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านออกไปอยู่ในป่าถึง6กปีพระพุทธองค์ไปดูตัวเอง พวกเราเหมือนกันที่มาที่นี่ก็มาเพื่อดูตัวเองดูใจของพวกเราเองใจของเราเป็นยังไงแต่นี้เมื่อพวกเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงจากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนจากนั้นก็รักษาศีลภาวนาปฏิบัติปรับปรุงกายวิจาใจของเราใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะใจิตใจของเราจะสูงส่งขึ้นเรื่อยๆเอ๋อพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระรหันไม่ได้หาที่ไหน อูที่ใจของพวกเราทั้งหมดนะมนุษสาเปโตมนุ ษ, ษาสาติรชฉาโนมนุษสาเทโวก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของพวกเราเช่นเดียวกันนะถ้าว่าใจของเราเศร้าหมองใจของเราโมโหโทโสใจของเราทําตัวเหมือนสัตว์ติระฉานทำเป็นเปรตก็อยู่ในใจของเราเช่นเดียวกันสรุปแล้วก็คือใจดวงนี้แหละจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ใจเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาถึงสอนใจ ให้ดูใจพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมมะขันของพระพุทธเจ้าถ้าย่นย่อลงมาแล้วก็คือกายกับใจเท่านั้นอ่ดีกับชั่วเพราะ ง, งั้นากายกับใจนะให้ดูกายให้ดูใจถ้าพวกเราดูกายดูใจแล้วอ่านออกใจของตนเองแล้วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำนะจากนั้นก็ทำให้สิ่งที่มันดีแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่พวกเราท่านทั้งหลาย การพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรไม่รู้ว่าพวกเราอยากจะฟังหรือไม่อยากจะฟังหลวงพ่อ พ, พ, พูดให้ฟังเออมมาฟังน